ถ้ามีผู้มาถามว่าคุณเกิดมาทำไมเราจะตอบเขาว่าอย่างไรนี่มันก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดทุกคนเนี่ยอาจจะตอบไม่ตรงกันเลยนะนั่นเอม ผู้ใดคิดเห็นอย่างไรก็ต้องตอบไปอย่างนั้นเลยบางคนก็อาจจะตอบว่าเกิดมาเพื่อหาความสนุกสนานในโลกนี้อย่างนี้ก็ได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้สดับคคำสอนของพระเจ้ามันก็มุ่งเกิดมาเพื่อหาความสนุกสนานในโลกนี้นั่นแหละ ก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็บอกพบตั้งแต่เรื่องยั่วเยวือนชวนให้เพลินชวนให้เมาไปอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเรื่องที่ควรให้สังเวชสะกดใจเบื่อหน่ายก็มีอยู่หรอกแต่ตัณหาในภายในจิตใจของคนเรานี่นะมันปิดไว้หมดเรื่องหมดนั้นนะมันไม่ยอมให้จิตน้อมไป ตัณหานี่มันยุโยงให้จิตเพลินไปในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่น่าพอใจในโลกนี้อ่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องของตัณหานี่นะทีนี้สำหรับผู้ได้สดบตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะตอบว่าเกิดมาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ ทำไมจึงแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็ต้องตอบว่าเพราะเกิดมาแล้วมันมีแต่ทุกข์ทุกข์กายกายก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสิ่งบีบคั้นให้สำรุษสุดโทมให้เจ็บให้ปวดอยู่เสมอทุกข์ใจเพราะ กิเลสความโรคความโกรธความหลงมันเผารนเอามันถึงได้เป็นทุกข์บุคคลผู้มารู้จักว่าชีวิตนี่มันเกลือกกลัวอยู่โดยทุกข์อย่างนี้นะั่นนั้นแหละจึงตอบผู้ถามว่าเกิดมาเพื่อแสวงหาทางพ้นไปจากทุกข์แต่ถ้าใครมองไม่เห็นทุกข์อย่างว่านั้น มันก็ต้องตอบไปอีกเรื่องนึงมันเป็นยังไง <c oughs> จะเกิดมาเพื่อหาความสุขาหาความสุขในโลกเมื่อเห็นเขามีเงินมีทองว่าเป็นความสุขกดดิ้นหาเงินหาทองเห็นเขาอยู่ตึกลามบ้านช่องใหญ่โตโออา ก็เห็นว่ามีความสุขตนกฎ ด, ดิ้นสแสวงหาเงินทองมาเพื่อจะได้ไปสร้างตึกลรามนั่นให้อยู่สบายอย่างเขาอันบรนี้มันเป็นเรื่องของตันหาภายในจิตใจของคนเราทั้งนั้นแหละมันถ้าดึงดูดกันไปในโลกนี้นะสำหรับผู้ที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจ มันก็ต้องมีตันหาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่อย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะมันถึงได้เกิดมีศาสนาขึ้นมานมันต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีทุกข์อย่างว่านี่ก็ไม่มีศาสนาเลยไม่มีผู้รู้แจ้งในหนทางออกจากทุกข เหตุที่มันมีศาสนาตั้งขึ้นนี่ก็เพราะท่านผู้มีปัญญาใหญ่มีความคิดใหญ่เมื่อท่านมามองเห็นความทุกข์ของตัวเองและความทุกข์ของผู้อื่นอย่างว่านี่แล้วก็เป็นเหตุให้นึกคิด ว่าเมื่อทุกมีแล้วทางคนทุกก็อาจจะมีนี่อย่างนี้แหละเหมือนอย่างมีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างอมีสุขมีทุกแล้วก็มีสุขเป็นคู่กันมีเกิดแล้วก็มีตายเป็นคู่กันมีบุญแล้วก็มีบาปเป็นคู่กันอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความทุกข์แล้วมันอาจจะมีทางพ้นทุกให้บรรลุถึงความสุขนั้นได้อยู่เ <Yeah. S 2> พราะโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านสร้างบา ร, รมีมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วก็เป็นเหตุให้ท่านได้คิดอย่างนี้ะ้ <Yeah. S 2> เราคิดอย่างนี้แล้วก็จึงดำริต่อไปว่าเราจะแสวงหา ทางคนทุกขอยู่ในการครองเรือนหรือว่าครองราชสมบัติอย่างนี้นี่มันคงจะไม่พบทางคนทุกข์ได้เพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนชวนให้หลงให้เมา อ, อยู่นั้นเสมอไปดังนั้นจึงได้เสด็จหนีออกไปบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียว จึงพบผนทางตัสรูสัมมาสัมโพธิญาณได้อันนี้เราก็รู้ๆกันอยู่ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยเราทุกคนก็ได้ชื่อว่ามีทุกติดตามมาเหมือนกันเลยทุกกายแล้วมันยังมาทุกใจอีกบัินี้เมื่อเรา มารู้ว่าทุกใจนี่มันมีทางแก้ได้ส่วนทุกกายนี่มันก็แก้ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันแก้ได้ชั่วคราวเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็หาหมอหมอรักษาวางยาให้ถูกยาแล้วก็หายไปช่วระยะหนึ่งอันดวงกิดนี่เมื่อบุคคลมา รู้ว่ากิเลสและเป็นเครื่องเผาให้เดือดร้อนเช่นนี้แล้วก็มาปฏิบัติตามคำสอนของพระตัวเจ้าสิ่งที่คำจัดความโลภออกจากใจก็คือการให้การบริจาคทานเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำบุญทำทานไปไม่หวงแหนไม่ตเนเงินทองเข้าของที่หามาได้ ไว้บริโภคแต่เฉพาะตัวเฉพาะครอบครัวเท่านั้นถ้ามีมากกว่านั้นไปมีเหลือใช้เหลือใจเราต้องจำแนกแจกทานไปบ้างอื่มันก็ทำให้ความโลคความตนีนี่มันเบาบางไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละเราจะไปละความโลคความตนีโดยวิธีอื่นมันไม่ได้ไม่ได้ ถ้ามันร่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนเราทาบุญให้ทานจะไปร่าอยังไรในเมื่อใจมันยังผูกพันอยู่กับวัตถุสิ่งของเงินทองอยู่มากมายอย่างนั้นเนจะร่าดได้ยังไงอ่ะทีนี้เมื่อยินดีในทานว่าทานนี้มีผลดีอมีผลมีประโยชน์เช่นอย่างว่าให้ทานข้าวน้ํา เป็นทานอย่างนี้น ะ, ะมันก็อา น, นิสงที่มันจํานวยผลให้ในการต่อไปก็ทำให้มีร่างกายแข็งแรงอย่างนี้เนะี่ยเพราะว่าอา น, นิสงที่เราให้อาหารเป็นทานเมื่อผู้รับรับไปแล้วไปรับประทานเข้าไปมันก็ทำให้มีกำลังร่างกายแข็งแรงไปอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นอา น, นิสงที่ มันนำนวยให้ในเมื่อเกิดไปพบชาติอื่นต่อไปก็จึงให้เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงถ้าพูดถึงผลปัจจุบันที่เราจะได้รับจะทำให้ความโลภความตนีมันเบาบางไปจากกิจใจนี้นี่แหละมีข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี้มีอย่างนี้แหละไม่ทราบว่าจะไปแนะนำ ไปทางใดมองไม่เห็นเลยอ ท, ที่ว่ามันจะกาจัดกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้นี่นะมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติแต่ละอย่างละอย่างไปพูดถึงความโกรธอย่างนี้นะอันถ้าล้ำพังเลยจะไปให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นความโกรธมันก็จะไม่เบาบาง มันไปนอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสความโกรธตัวนี้มันหนาแน่นเหลือเกินฮะเนืองนั้นเพื่อสกัดกา้นความโกรธไม่ให้รุนแรงขึ้นในใจก็จึงทรองสมัานมั่นในศีลเลยแบบนี้เพราะว่าศีล น, นี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันและกันนะความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อผู้ใดสมาทานมั่นในศีลแล้วถึงแม้มันโกรธขึ้นมามันจะคิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้มันก็ห้ามจิตได้ถ้าเคารพในศีลจริงๆมันก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้ไปไปปรฏิสัร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนอกจากพุทธวิญญาตเคารพต่อพุทธวิญญาต น, นแล้วก็ยังมาเจริญเมตตากรุณา ให้เกิดขึ้นในใจเสมอสมอไปนึกถึงตนนึกถึงคนอื่นและสัตว์อื่นต่างคนต่างก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งนั้นเลยอย่างนี้บริความทุกข์ในมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเบียดเบียนกันนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ น, ะนอกจาก เกิดจากการเบียดเบียนกันและกันแล้วมก็เกิดจากความแก่ความชราภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมันนี่เนะี่ยมันก็ต้องรู้ไอความทุกข์นี่เนะี่ยมันเกิดมาอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมาเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็รู้จักให้อภัยต่อกันและกันได้ต่างคนต่างก็มีเมตตาอยู่ในใจ เมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วอย่างนี้ถ้าพลังเผลอไปกระทบกระทั่งกันเข้าระลึกได้แล้วก็ให้อภัยกันไปไม่เอาเรื่องซึ่งกันและกันแต่ในทางที่ไม่ดีความโกรธมันก็เบาลงแบบ น, นีนะ้นั่นเลยมันก็ไม่ถึงกับว่าได้กระทุศร้ายต่อกันและกันนี่ข้อปฏิบัติ <c oughs> มันนี่พูดถึงความหลงบ่เนี้ความหลงนี่หมายถึงความไม่รู้จริงนั่นเองเนี่ยเช่นว่าทำอย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้นะใจมันมืดมนอนะ่ะไม่รู้เลยว่าเป็นบาปไม่ทราบว่าบาปนั้นเป็นตัวยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอย่างนีแหละท่านจึงเรียกว่าหลง <c oughs> ทำอย่างนี้เป็นบุญกุศลเช่นนี้ก็ ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นบุญอย่างไรอ่ะเพราะไม่เห็นตัวบุญเลย น, นี้พูดถึงว่าเอา้าผูใ้ใดทำบุญจะไปสู่สวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ทราบปัสวรค์อยู่ที่ไห น, นก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันผู้ดใดทำบาปตายแล้วก็ไปตกนรกอย่างนีน้ก็ไม่รู้ว่านารกอยู่ที่ไห น, น เมื่อมันไม่รู้แล้วมันไม่เชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์อย่างนี้มันก็ไม่ละบาปไม่ทําบุญเลยคนพูกนั้นอนะืเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าทําไปแล้วก็ทําเปล่าๆมันไม่มีผลตามสนองอะไรเลยมันเห็นไปอย่างนั้นเมื่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่ทําเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อไม่ทํา ความดีแล้วมันก็ไปทำความชั่วคนเราน่ะเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยๆไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อผู้ใดได้สดับตรัพฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆมีนักธรรมกระถึกทั้งหลายนำออกคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเหตุผลแห่งชีวิตนี่เป็นมาอย่างไรตามที่ พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แจ้งแทงตลอดก็นำมาแสดงสู่กันฟังอย่างนี้เมื่อผู้ได้ตั้งใจฟังตั้งใจใจพิจารณาตามมันก็จึงรู้ได้ว่าเออชีวิตนี่มันไม่ใช่มันเกิดมาลอยลอยแบบนี้นะนนมันมีเหตุมีปัจจัยนำมาเกิด ทีนี้เกิดมาแล้วมีความเป็นอยู่ก็อาศัยเหตุปัจจัยอันนั้นแหละอุปถัมภำลุงไว้เอาใครทำดีมากกรรมดีนะี่ยมันก็มาอุปถัมภำลุงให้ชีวิตเป็นอยู่ได้สบายตามฐานะผู้ใดทำชั่วมากรรมชั่วนั้นมันก็มาทำให้ชีวิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนรุนหวาย อย่างนี้แหละดังนั้นคนเราจรึงว่าความเป็นอยู่ของคนเรานี่จึงแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าว่าไม่ใช่บุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งแล้วมันจะมันก็เหมือนกันหมดสิมันก็ไม่แตกต่างกันนะี่คนเราอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราได้รู้ว่ารู้ว่าบุญมีบาปมีเนะ่ะ เราก็มาดูความเป็นอยู่ของความเกิดของคนเราในปัจจุบันนี่แหละเป็นเครื่องตัดสินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอแต่ถ้าเหตุผลอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เชื่ออยู่เนี่ยก็แล้วไปผู้นั้นนะอืเราก็ไม่ต้องพูดกันนะเรามาพูดกันแต่บุคคลผู้ที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเท่านั้นเนี่ย yeah. นี่แล้ววันี่ความหลงในขั้นต้นนี่แหละมันปิดบังปัญญาในขั้นสูงไว้ถ้าเมื่อปล่อยให้ความหลงในขั้นต้นี่ครอบงาจิตใจแล้วก็อย่าไปนึกเลยว่าปัญญาในขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นมันจะเกิดขึ้นในใจของคนเราเกิดไม่ได้เลยดังนั้นพระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงแนะ น, นาสั่งสอน ให้พุทธบริษัททั้งหลายภาวนาหรือว่าเจริญสมถะและวิปัสนาการเจริญสมถะแปลว่าหาอุบายทำใจที่พุ่งสั้นเรื่อนลอยให้ส ง, งบเป็นหนึ่งลงไปการเจริญวิปัสนาหาอุบายสอนจิตนี้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้น หมายคขาว่าตนแหละสอนตนอ่ะเขาว่าจิตมีดวงเดียวเราจะแยกเป็นสองไม่ได้หรอก <c oughs> จิตมีดวงเดียวเช่นอย่างว่าเมื่อเราทำใจให้สงบลงไปแล้วอย่างนี้นะเราก็มาตั้งปัญหาถามตัวเองว่าแล้วทำไมถึงมาเกิดอาศัยอยู่ ในของไม่เที่ยงนี้อก็ร่างกายเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงนี้แล้วทําไมจึงมาเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้นั้นมีปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะต้องตอบตัวเองได้ว่าก็เพราะมันหลงมันไม่รู้แจ้งนั่นแหละมันจึงได้มาเกิดมาอาศัยอยู่ในรูปนามนี้อ